<Book> <88. S 3> บททีแปดสิบแปดยนะไพยนิมิติอดีตการของกริยาช่วยสองบูตกาลลูกสะใภ้ก็เรียลูเรนดูลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตามาไปกีบ ม, มัมโตอาดโกวันเลดิตะ ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอลมะไมกฟุตบอลซอเกอร์อรดกนเลดุตาสามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมักรุกกับดิฉันนาบารกนาเสซาดารนเลดุตาลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่นมละละกวอกเวลา น, นเลดุตา พวกเขาไม่อยากจัดห้องว้ลกิกัดิสุบรันเยรอนี่เลดุพวกเขาไม่อยากไปนอนว้ลกิ น, นิทราบัวอะนเลดุเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีมอัตันเนไอศครีมตีนอะไรนี่คือนุมติินชบเเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต อาตนะช็อกโกแลตที่น่าดานิคีอนาตดเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานอาตนะสวีทที่น่าดานิคีอนุญาตินี้จบดเิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรนั่นน่ะว่ากอร์อะุาตินี้จดดิฉันได้รับอนุญาตให้ซือ้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด เนนน่นนาขอสันดุสตุลคนใดนี่อนุญตินะบาาัตรเลดูดีฉันได้รับอนุญาตให้หยิบชอ็อกโกแลตบอกกับช็อกโกแลตที่สกอว์ดา น, นี่เนนอนุญตินะบาาัรเลดูคุณสุบุรีบนเครื่องบินได้หรือบีมอนันลพบกระตรางดกุกมีกูอนุญาติแล้วบินชินดคุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ อสุภัรเลบีรตรากดานิคีมีมันเลียนุเบินใจระคุณนำสุนักเข้ามาในโรงแรมได้หรือโฮลโลกุกันเดชุกนรดกูมี อ, อนุมติลบินชินดาในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาเซเลเบลโลเป็นลเลียโกเซปูออร์บไบตาวนรตานิคีอนุเบินชบดินดาพวกเขาเล่นที่สนามได้นาน ซรโกวารนตินชาระพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ฉัเซเมลกวารมติชาระ